ความสุขเมื่อได้สนองตันหาคือความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นอกุศลขั้นสองความสุขเมื่อได้สนองฉันทะคือความสุขจากการสนองความต้องการที่เป็นกุศลส่วนความสุขระดับสองนั่นเป็นขั้นสามคือความสุขที่ไม่ต้องสนองความต้องการหมายถึงเป็นความสุขทุกการ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 มีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาไม่ต้องพึ่งพาการได้หรือการทำอะไรทั้งนั้นถ้าเราต้องสนองอะไรจึงจะได้ความสุขก็แสดงว่าความสุขนั้นยังไม่มีอยู่จึงต้องรอการได้สนองต้องหาบ้างต้องสร้างขึ้นมาบ้างก็ต้องทำให้มีขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความสุขขั้นที่สามนี้มีเป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวอยู่แล้ว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 ท่านที่ถึงขั้นนี้แล้วมีฉันทะอยู่เต็มที่เพียงแต่ว่าความสุขของท่านไม่ต้องขึ้นกับการสนองฉันทะนั้นแล้วนี่คือข้อที่ย้ำว่าคือบุคคลผู้มีความสุขที่ไม่ขึ้นต่อการสนองทั้งตัญหาและฉันทะโดยที่ผู้นั้นมีฉันทะอยู่เต็มเปี่ยมด้วยนี่แหละคือคนที่ได้พัฒนาความสุขมาครบจบแล้วกว่าจะพัฒนาชีวิตมาถึงขั้นนี้ได้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 คำบาลีว่านัติฉันทัศักหานิพอยกพระคุณสมบัติข้อนี้ขึ้นมาก็เห็นชัดทันทีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจมากมายแค่ไหนนั่นก็คือเป็นไปด้วยฉันทะซึ่งฉายออกมากับพระมหาการุณาพระพุทธเจ้าไม่ทรงหยุดเลยตลอดสี่สิบห้าพรรษาพูดอย่างภาษาชาวบ้านว่า นอนกลางดินกินกลางทรายเสด็จดำเนินไปทั้งวันทั้งคืนไปบำเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชาวโลกเราพูดกันว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจด้วยพระมหากรุณาและได้บอกแล้วว่าการุณานั้นมีจุดเริ่มตั้งต้นจากฉันทะแล้วด้วยฉันทะก็ออกสู่ปฏิบัติการในการเสด็จไปทำงานสั่งสอน และไม่ว่าจะทรงปฏิบัติกิจอะไรอไรพระองค์ทรงมีฉันทะนั้นเต็มเปี่ยมเสมอไปไม่รู้จักลดน้อยลงนี่คือพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ปประการพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมีฉันทะเต็มบริบูรณ์แต่ความสุขของท่านไม่ขึ้นต่อการสนองฉันทะคือท่านมีความสุขอยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองในที่นี้ ก็ได้จัดแบ่งความสุขเป็น3มขั้นย่อยหรือสองระดับใหญ่นี้แล้วถ้าจะเรียกความสุขสามขั้นนี้เป็นภาษาง่ายๆอาจเสนอคำทำนองต่อไปนี้ท่านผู้ใดช่วยหาคำที่ชัดและถนัดกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีความสุขสามอย่างนั้นคือ 1. ความสุขที่ต้องหาได้แก่สุขแบบสนองตันหา 2. ความสุขที่สร้างเองได้ได้แก่สุขแบบสนองฉันทะ 3. ความสุขที่มีอยู่ในตัวทุกเวลาได้แก่สุขที่ไม่อาศัยการสนองความสุขขั้นที่หนึ่งคือสุขด้วยการสนองตันหาเรียกว่าความสุขที่ต้องหาก็เพราะว่าสิ่งเซฟที่จะสนองตันหานั้นเป็นวัตถุสิ่งของเป็นกามอามิตร ซึ่งอยู่ข้างนอกเราต้องไปหาต้องไปเอามาเสพต้องเอาของข้างนอกนั้นมาเจอกับผัสสะของเราจึงเป็นความสุขที่ต้องหาความสุขขั้นที่สองคือสุขด้วยการสนองฉันทะเรียกว่าความสุขที่สร้างเองได้เพราะว่าความอยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาอยากทำโน่นทำนี่ให้ดีความชื่นชมธรรมชาติอะไรเหล่านี้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 ทำอย่างไรเราจะมีให้ครบทั้งสามอย่างถ้ามีได้ครบก็น่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทีเดียวใครหนอคือบุคคลที่มีสุขครบทั้งสามอย่างนี้อย่างไรก็ตามปรากฏว่าผู้ที่มีสุขขั้นสามสมบูรณ์จริงแล้วทั้งที่ถ้าต้องการจะเสวยสุขให้ครบพร้อมหมดทั้งสามได้อย่างสบายสบายแต่กลายเป็นว่า เขาพอใจอยู่กับสุขในขั้นที่เป็นอิสระไม่แยแสสุขอย่างแรกที่พึ่งพาขึ้นต่อสิ่งเสบอีกต่อไปเรื่องเป็นอย่างไรเพราะอะไรก็ค่อยๆดูต่อไป